ช่วงที่หลวงพ่ออามารักษาตัวอยู่ที่สุกโตนะก็เป็นเวลาประมาณ60กวันถ้ามีช่วงหนึ่งประมาณเดือนต้นเดือนกรกฎาท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้เป็นบันทึกทางธรรมะที่เขียนได้ยาวที่สุดนะเป็นกระดาษก็ไหลหน้า ปกติท่านก็เขียนเกือบจะทุกวันอยู่แล้วนะบางวันก็เขียนสั้นบางวันก็เขียนยาวก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานการในวัดแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสังเสียงานศพแล้วก็ส่วนนึงก็เป็นเรื่องธรรมะแล้ววันนั้นนี่หลวงพ่อท่านเขียนได้ยาวมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ การสอนธรรมะของท่านซึ่งก็นวน่าสนใจอย่างท่านเล่าว่ามีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะที่วัดโมกยกมือสร้างจังหวะแล้วก็มือก็ติดที่หน้าอกไม่สามารถที่จะขยื่นขยับมือได้ได้เวลาฉันก็ไม่มาหลวงพ่อท่านก็เลยไปไปตามหา หลวงพ่อท่านนี้ท่านท่านเพ่งนะท่านตั้งใจปฏิบัติมาแล้วก็เพ่งเพ่งจนกระทั่งนะมันมือนี่ติดที่หน้าอกสร้างจังหวะแล้วมือก็ติดจะเคลื่อนไม่ได้เลยหลวงพ่อก็แก้อารมณ์ไม่ใช่ด้วยการพูดคุยธรรมะหรือพูดให้ปล่อยวางแต่ชวนคุยเรื่องครอบครัวสักถามเรื่องครอบครัว ลูกหลานของหลวงพ่อองค์นั้นเพราะว่าท่านมาบวชตอนแก่พอหลวงพ่อท่านหลวงพ่อองค์นั้นท่านตอบไปหลวงพ่อคำเกณฑ์ท่านก็แยง้งก็ค้านนะพูดให้มันตรงข้ามหรือส่วนทา ง, งความเป็นจริงพาลูกนั้นก็เถียงนะพยายามชี้แจงเนะถียงไปเถียงมามือที่ติดหน้าโอมก็ตกนะตกแล้วก็ยังไม่รู้นะ จนกรท่งหลวงพ่ อ, ขอเขียนชี้ให้ดูเนี่ยมือตกแล้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้อารมณ์นะของหลวงพ่อแล้วท่านก็พูดอีกหลายรูปนะซึ่งบางรูปนี่ก็ติดวิปัสสนูนะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มายืนรออยู่ที่หน้าวัดเพราะเข้าใจว่าญาติโยมจะเอารถบรรับตั้งแต่ตีห้า พาไปสอนพาลูกนั้นคือหลวงพ่อเพลงท่านก็เกิดความสำคัญบ้ากหมาท่านเป็นผูส้สำเร็จแล้ววนะิปัสสนูหลวงพ่อก็ต้องนำมาแก้อารมณ์นะจนคลายบางคนก็เป็นคารวะนะเป็นคารวะเป็นคนที่มีเป็นคนเก่งนะทำอะไรก็สำเร็จเป็นครูทำอะไรก็สำเร็ จ, นะรรรจมีความ เชื่อมันในตัวเองสูงปฏิบัติธรรมก็หวังความสำเร็จมากก็ตั้งใจปฏิบัติเสร็จแล้วเกิดวิปัสสนูนะคิดว่าตัวเองนี่นะเป็นแล้วบรรลุธรรมแล้วมายืนเดินไปเดินมาอยู่บนสะพานลอยทั้งคืนเลยนะตำรวจก็เรียกให้ลงมาเพราะข้ขจะอจ่าคงเป็นคนบ้าน อโยมจาจัยคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยอาทิตย์มันจะขึ้นจะตกนี่ห้ามไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องหลวงพ่อท่านก็ต้องไปเรียกลงมานะพากลับวัสนามนายแล้วก็ก็ยังไม่หายนะต้องพาต่อไปวัดป่าพุทธยานก็ยังไม่ยังไม่หายนะแล้วท่านก็แก้ลงอย่างไงนะพาไปขุดซ้วมนะวัดป่าพุทธยานนี่ ดินมันแข็งมากพาไปขุดซ่วมหลวงพ่อก็ขุดด้วยนะโยมันนี้ก็ขุดด้วยขุดไปได้ซักเมตรหนึ่งนะก็บอกว่าตรงนี้ไม่ดีมาเปลี่ยนที่ขุดดีกว่าก็ใช้วิธีนี่แหละขุดไปขุดมาก็เห ง, งื่อก็โซมแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยนี่มันก็ออกจากอารมณ์ได้กลับมาเป็นปกติอันนี้ได้อา่านรู้ก็เห็นวิธีการนะ แก้อารมณ์ของหลวงพ่อท่านก็ใช้วิธีพยายามดึงจิตออกมานะจากการเพ่งนะเพราะคนที่ยามีอาการแบบนี้ได้ส่วนมากก็เกิดจากการที่เพ่งเพ่งเนี่ยเพ่งเข้าไนนจนกระทั่งนี้มันจิตมันเหมือนกับว่าติดแกะออกมาไม่ได้นะแกะออกมาไม่ได้ คนเวลาเพ่งนานๆจนทั้งติดนี่บางทีแก้ยากกว่าคนที่ฟุง้งละคนที่ฟุ้งเนี่ยจะจะกลับมามาสงบเป็นปกติหายฟุ้งเนี่ยมันยังง่ายกว่าคนที่เพ่งแล้วก็มาแก้เพื่อให้หายเพ่งนะบางทีบางคนก็ต้องเลิกปฏิบัติไปเลยหรือว่าแนะนําให้เลิกปฏิบัติเพราะว่าถ้าคืนปฏิบัติอยู่มันก็อดกลับมาเพ่งไม่ได้แล้วก็กลับมามีอาการกําเริบน พอเจอคนที่เพ่งแบบนี้เนี่ยแล้วมีอาการเพีย้ยนมีอาการวิปั ส, สนูหรือว่ามีนิมิตแปลกๆก็ต้องพยายามดึงจิตออกมานะออกมาจดจ่อหรือมาใส่ใจกับสิ่งนอกตัวแทนเช่นพูดคุยนะเรื่องครอบครัวพูดคุยเรื่องลูกเรื่องหลานนะจนเพลินนะจนลืมตัวไนอะ้บางทีการลืมก็ดีเหมือนกันนะคือลืมเพ่งเนี่ย บางคนที่เพลงจนงั่งติดนะก็ต้องชวนให้ลืมชวนคุยชวนพูดชวนทำจนลืมลืมเพง่งนะบางท่านก็การหนักมากอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นียต้องพาไปขุดนะขุดดินขุดหลุมทำส่วมนะพอเหนื่อยแล้วนี่มันมันคลายไปเองนะอันนี้เป็นวิธีการแก้อารมณ์ของหลวงพ่อนะที่ท่านเน้นเรื่องการนะ ดึงจิตออกมาจากการเพ่งก็คือออกมารับรู้ข้างนอกแทนแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยปกติเนี่ยมันส่งจิตออกนอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าพยายามที่กลับมาตามดูรู้ใจแต่ว่าถ้าทำด้วยความอยากนะทด้วยความอยากมากๆมันจะกลายเป็นเพ่งไปเช่นอยากให้ใจสงบอยางไม่อยากให้จิตฟุง้งซ่าน จิตม่เก็ไปเพ่งที่มือที่เท้าทจริงจะเรียกว่าจิตเพ่งก็ไม่เชิงนะแต่เป็นการบังคับจิตมากกว่าบังคับจิตให้มาเพง่งที่มือให้มาเพง่งที่เท้านะเพราะว่าไม่อยากให้จิตเนี่ยมันฟุง้งนะทำไมถึงไม่อให้จิตฟุง้งก็เพราะอยากให้จิตสงบนะให้ความอยากให้จิตสงบนี่เป็นอุปสรรคสําคัญทีเดียวนะของการปฏิบัตินะเพราะมันทําให้เกิดความยึดติด มันเป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งก่อนมาปฏิบัตินี่ก็เพลอปล่อยใจลอยลนี่ก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งพอมาปฏิบัตินี่ก็รู้ว่าการปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกไม่ดีก็พยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้ฟุง้งไม่ให้ลอยก็เลยกลายเป็นเพลงไป ห, หรือบางทีก็ไปดักไปดักเฝ้าดูความคิดดูว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ความคิดเนี่ย จะคิดเมื่อไหร่ก็ไปเบรกไปห้ามมันหรือว่าไปตะปบมันนะอันนี้ก็มันทําให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันทําไปทําไปเนี่ยบางทีความคิดมันหายไปนะแต่ว่าเป็นความคิดหายแบบหลบในนมันหลบในแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสงบเพราะว่าอาการแบบนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับหนักหนักมันหนักหนัก มันไม่ใช่เบาแล้วก็พอเผลอเมื่อไหร่นะเช่นพอจะนอรหรือเคลิบเนี่ยโอ๊ยความคิดมันทะลักทลายออกมาเลยบางคนเนี่ยช่วงที่ปฏิบัตินะดูเหมือนว่าใจมันสงบนะไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่พอจะนอนนี่มันฟุ้งสารพัดเลยอันนี้อันนี้มันสอว่าเป็นเพราะไปบังคับไปกดความคิดเอาไว้หรือไปพยายามตัดความคิด มันก็เลยมันก็เลยหลบนะให้ตัวความคิดมาหลบในนะเพราะว่าอ่ามันรอเรามันรอทีเผลอพอเราเผลอเมื่อไหร่นะเช่นตอนง่วงตอนจะหลับเนี่ยมันก็พลั่งโผล่ออกมาผู้ย่างคือไปกดมบอาไว้พอกดเนี่ยอะไรก็ตามที่เรากดมบอาไว้เนี่ยมันไม่หายไปหรอกมันก็รอวันที่จะโผล่ออกมาอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะของคนที่เพ่งนะเพ่งเท้าเพ่งมือนะ ลากเงาของมันก็คือความอยากอยากให้จิตสงบอยากให้จิตนะเป็นไปอย่างที่เราต้องการอยากให้จิตมีสติก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยเราต้องต้องรู้เท่าทันในความอยากเนี่ยแล้วก็วางความอยากลงเรามาที่นี่ก็เพราะความอยากจะให้จิตสงบอยากจะมีสติอยากจะให้จิตของเราจะเลยงอกงามนะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดานะมาด้วยความอยาก แต่ว่าพอถึงเวลาลงมือปฏิบัตินี่ก็ต้องวางให้หมดวางความอยากให้หมดหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติตาก็คือการปล่อยวางทางจิตนะนะไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งของไม่ใช่ปล่อยวางงานการแต่เป็นการปล่อยวางทางจิตนะแล้วการปล่อยวางอย่างแรกที่ควรทำก็คือการปล่อยวางความอยากพอถ้าไม่วางความอยากแล้วนี่ความอยากนี่แหละมันจะคอยคอยคอยกระตุ้นให้เรา ไปเพ่งคอยผักสายให้เราไปกดขม่มความคิดไปกดข่มอารมณ์แล้วมันก็จะมีอาการเพี้ยนตามมานะตัวอย่างที่ได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเกิดจากความเพี้ยนเพี้ยนเพราะไปเพ่งมากไปหรือว่าบางทีไปอ่าพอจิตเกิดสมาธิมากๆจะเพราะว่าสมถะหรือเพราะการกดการห้ามก็แล้วแต่มันก็จะเกิดนิมิตต่างๆตามมา แล้วพอไปหลงเชื่อนีนิมิตเข้าก็เสร็จเลยคนะาถาของหลวงพ่อที่ว่าเห็นจะเข้าไปเป็นนี่มันเป็นมันเป็นหลักการที่ใช้ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยนะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพราะว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาล่อให้เราเข้าไปเป็นนะเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงก็เข้าไปเป็นหรือว่ามีความรู้ผุดขึ้นมามากมายก็เข้าไปเป็นผู้รู้นะไปเป็นผู้รู้รู้ตะพึทตะพื้แต่ว่า มันเป็นวิปัสสนูโดยที่ไม่รู้ตัวนะก็หลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนี่ยบางท่านนี่หลวงพ่อท่านเราวเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้แจ้งหมดแล้วแล้วก็มาบอกให้หลวงพ่อกราบด้วยนะทีแรกไปรู้สึกหลวงพ่อต่อมาปฏิบัติใหม่ใหม่ไปรู้สึกหลวงพ่อแต่ว่าปฏิบัติไปนะเกิดวิปัสสนนะูวิปัสสนูเป็นอุปกิรณ์ชนิดหนึ่งนะวิปัสสนอุปกิรณนะ์เรียกเต็ม ว, ว่าวิปัสสนูอุปกิรณ์ มันมีหลายแบบนะทั้งเห็นสีเห็นแสงทั้งเห็นตัวทั้งรู้สึกตัวเบาหรือว่ามันเหมือนกับมันมียานต่างๆมากมายไอ้ที่รู้เนี่ยมันรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ไปหลงคิดว่าลงเชื่อตัวเองพูดรู้เชื่อบรรลุธรรมแล้วไปบอกให้หลวงพ่อเนี่ยกราบตัวเองซะนะไอ้แบบนี้มีเยอะนะลูกศิษย์มาบอกให้ครูบาอาจารย์กราบเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้แจ้งแล้วเห็นว่าครูบาอาจารย์นี่โง่ไม่รู้มากเท่าตัว มันลืมตัวขนาดนี้เลยนะเพราะว่าการการการปฏิบัติด้วยการทําด้วยความอยากนะแล้วมันก็กลายเป็นการเพง่งพอเพง่งแล้วมันก็เพี้ยนนะพอจิตของเรานี่มันจะไปบังคับมันไม่ได้บังคับมันเหมือนกับวัยรุ่นนะั่นนะไวรุ่นเนี่ยไปบังคับเขาเขาก็ยิงอารวาสนะม้าป่านี่ไปบังคับมันก็ยิ่งพยศนะคนที่ควบคุมมา้าหรือว่ารู้จักม้าป่านี้เขาจะรู้ว่า จะไปบังคับมันไม่ได้บังคับมาเมื่อไหร่มันปวดมันพยศทันทีใครขึ้นหลังมันมันก็สะบัดตกหมดนะอาจิของเรามันมีแรงมันมีเร็วแรงมันมีพลังยิ่งกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทํานะเวลานักปฏิบัตินะจะเริ่มปฏิบัติก็คือการวางวางความอยากลงซะมีความคิดอะไรมาก็ต้องความคิดว่าอยากจะได้โนู่นได้นี่ก็ต้องวางลง แล้วไปช่วยทำไปช่วยทําให้การปฏิบัติของเรานี่ยคล่องแคล่วนะไม่ติดขัดเท่าไหร่แต่ในระหว่างทามก็ยังมีความคิดมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆโผล่มานะเป็นธรรมดาความฟุ้งซ่านมีความคิดเกิดขึ้นมันไม่ใช่คิดเฉยๆเป็นความฟุ้งเฉยๆมันปรุงเป็นอารมณ์ต่างๆคิดถึงเหตุการณ์ที่สูญเสียก็ทําให้เกิดความเศร้าคิดถึง ทำต่อว่าด่าทอของใครก็ทำให้เกิดความโกรธคิดถึงคนที่เขากลั่นแกแล้งเราโกงเงินเราก็ทำให้เกิดความไม่พอใจนะคิดถึงงานการต่างๆที่ค้างคาอยู่ก็เกิดความกังวลนะความคิดนี้มันปรุงแต่งอารมณ์ให้เกิดขึ้นนะซึ่งมีทั้งอารมณ์ฝ่ายลบแล้วก็ฝ่ายบวกอย่างเช่นคิดถึงแฟนนะจิตใจก็มีความอิ่มเอิบนะมีอาการฟูขึ้นมา คิดถึงคำพูดที่ครูบาอาจารย์ชมเราหรือว่าทำในสิ่งที่เราพอใจทำความพอใจกับเราก็ฟูขึ้นมานะันนี้มันก็เกิดอารมณ์นะเกิดอารมณ์ฟูขึ้นมาเพราะความคิดก็ต้องนะรู้ทันมันนะการเจญรสติเนี่ยนะท่านสอนให้รู้ทันเพราะรู้แล้วมันก็จะวางได้ ถ้าไม่รู้นะมันก็จะเข้าไปปรุงนะจะรู้ได้ก็ต้องเห็นนะเห็นไม่เข้าไปเป็นถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็เข้าไปเป็นเลยเป็นนี่ก็คือเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้าเป็นผู้เสียใจเป็นผู้เครียดเป็นผู้ดีใจนะแล้วพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทุกนะเช่นเป็นผู้โกรธเนี่ยนะมันก็ความโกรธมันก็เผาร่นใจเหมือนกับไฟเนี่ย มันไหมอยู่ก็จริงนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆกองใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะเป็นกองเล็กนะแต่ถ้าว่าเข้าไปอยู่ในกลางกองเพลิงกองไฟเนี่ยมันร้อนแน่เป็นเนี่ยคือเข้าไปเข้าไปอยู่ในกองไฟคือเข้าไปอยู่ในความโกรธให้ความโกรธมันเผาใจแต่ถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเราดูมันเออก็เห็นมันเหมือนกับเราดูกองไฟ มันมีระยะห่างนะมันก็ไม่ร้อนแลนะคนที่เห็นความโกรธเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์เพราะความโกรธนะแต่คนที่เป็นเป็นผู้โกรธเนี่ยนะจะทุกข์มากบางทีความดันขึ้นนะบางทีนอนไม่หลับเลยถ้าเห็นกับเป็นนี่มันต่างกันนะเราเห็นมันทําให้ปล่อยให้วางได้ง่ายนะแต่ถ้าเขาไปเป็นเนี่ยมันก็ยิ่งยึดติดเข้าไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ลบ ที่อยากผักใส่หรืออารมณ์บวกที่อยากจะครอบเคลียใฝ่หาไม่ว่าจะผักไส่หรือว่าฝ่หาเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเอด้วยการเข้าไปเป็น เ, นเข้าไปเป็นแล้วก็ถูกมันครอบนะสติเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นนะมันช่วยทำให้วางได้ทำให้วางนะวางความคิดวางอารมณ์นั้นได้ การปล่อยวางเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อว่าคือการปล่อยวางทางจิตเนี่ยที่แรกมันปล่อยวางเพราะมีสติรู้ทันพอมีสติรู้ทันมันก็วางนะอารมณ์มันก็ดับไปไม่รู้สึกว่าต้องแบกหรือว่าถูกอารมณ์เผาผลาญใจนะมันทําให้วางได้แต่ต่อไปเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยการวางเนี่ยการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นได้เพราะปัญญานะก็คือพอเห็นความจริงนะ ของกายและใจเห็นความจริตของขันธ์ห้าว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่จีรังของมันมันก็จะวางได้แนะคราวนี้เนี่ยวางเพราะว่ารู้ว่ายึดไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดยึดติดถือมัน่นะอย่างที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าเนี่ยสัพเพธรรมานาังอภินิเวสา ย, ยานย ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เพราะมันยึดมั่นไม่ได้นะมันยึดมั่นถือมันไม่ได้เลยไม่ว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมันยึดมั่นไม่ได้แล้วทำไมถึงร่วมายึดมั่นไม่ได้ก็เพราะมีปัญญาเห seinem, ็นความจริงเห็นอาการของขันห่าว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอันนี้เรียกว่าปล่อยวางเพราะปัญญาแต่ใหม่ๆเนี่ยเราปัญญาเรายังไม่ยังไม่ยังไม่โตยังไม่ยังไม่เกิดถึงขั้นนั้นนะ ก็สายสติเอานะสายสติสัต ส, สติมาช่วยทําให้วางความคิดวางอารมณ์ได้นะแล้วนี่รวมไปถึงเวทนาด้วยนะความความเจ็บความปวดความเมื่อยปกติถ้าไม่มีสตินะนะใจมันก็หลุดเข้าไปในความปวดกลายเป็นกลายเป็นผู้ปวดมันไม่ใช่แค่กายปวดนะมันไม่ใช่แค่กายเมื่อยนะแต่ว่ามีความรู้สว่าฉันปวดฉันเมื่อย ตรงนี้มันทาให้จิตเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ไปด้วยจิตมันถูกอีกครั้นด้วยทุกขเวทนาแต่ถ้าเห็นเห็นทุกขเวทนาเห็นว่าปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยเห็นเฉยเฉยนะจิตไม่ได้ทุกข์ด้วยมันมีแต่กายที่ทุกข์แต่ถ้าไม่เห็นเมื่ อ, อไหร่เข้าไปเป็นเนี่ยมันมีตัวฉันถูกปรุงขึ้นมานะเป็นผู้เป็นเจ้าของความปวดความเมื่อยอันนี้หนักหนักกว่าเดิมนะมันไม่ใช่แค่กายกายปวดกายเมื่อยแล้ว แต่กลายเป็นกูปวดกูเมื่อยนะออันนี้เรียกว่าเพราะเข้าไปเป็นมันไม่ใช่ปล่อยวางมันเข้าไปยึดเลยอันนี่ยแต่ถ้าเรามีสตินะเออนะเวทนาเกิดขึ้นกับกายปวดเมื่อยก็ตามมันก็เป็นของมันเป็นของมันเป็นของกายแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยอันนี้เราปล่อยวางได้เหมือนกันนะคือไม่ได้ไม่ได้ยึดมาเป็น เป็นความปวดของใจเป็นความปวดของกายอย่างเดียวปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ปวดนะไม่ได้แปลว่าไม่ปวดมันปวดอยู่นะแต่มเป็นมันเป็นกายที่ปวดใจไม่ได้ปวดด้วยแต่ถ้าไม่ปล่อยวางเมื่อไหร่ใจก็ปวดใจก็ทุกข์เพราะมันมีมันรู้สึกว่าเป็นกู่ปวดเป็นกูเมื่อยการปล่อยวางนี่มันถึงบอกเริ่มต้นเนี่ยมันอารศรยัยสติเนี่ยอารศัยความสึกตัวเนี่ยช่วยให้ปล่อยวาง เวลาเราโกรธแล้วกลับมารู้สึกตัวนี่นะความโกรธมันหายไปเลยนะเวลาเราโมโหเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ให้ความโมโหมันก็หายไปเลยนะความเศร้าความเสียใจความเหงาก็เหมือนกันนะไอตอนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเราเผลอเราหลงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมามันหายไปเลยเรียกว่ามันไม่มีที่ตั้งเพราะว่าอารมณ์พวกที่มันเกิดขึ้นในยามที่เราเผลอในยามที่เราลืมตัวในยามที่เราหลงนะมันก็ปรุงอะไรต่ออะไรมากมาย แต่พอมีสติพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมามันก็หายไปเพราะว่ามันอยู่ได้เพราะอาศัยความหลงอาศัยความลืมคือลืมตัวพอไม่ลืมตัวพอรู้ตัวขึ้นมานะมันก็ไม่มีที่ตั้งแลอันนี้ก็คือการปล่อยวางในช่วงแรกๆนะที่เราแต่ละคนนะสามารถจะประสบสัมผัสได้ที่จริงก่อนมาปฏิบัติธรรมแล้วคงจะประสบกับ การปล่อยวางแบบนี้อยู่เป็นครั้งคราวนะเวลาเราโมโหแล้วเราเกิดสุกตัวขึ้นมาเออมันหายไปเลยอันนี้เกิดขึ้นได้ในชั่วประจําวันแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นความฟุ้กก็ได้จนกระทั่งเรามาปฏิบัตินะสติที่มาช่วยทําให้เราวางวางไดนะ้เวลาดูกายก็เห็นกายว่าเป็นกายนะนะเห็นว่ากายสักแต่ว่ามีอยู่อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่สาธเตีเมื่อสักครู่เนี่ย ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานนะกายยุนุปัสสนานี่มันก็จะเห็นว่าเห็นว่าสักแต่ว่ากายมีอยู่สักแต่ว่ากายเป็นที่ระลึกนะเวทนาคือเหมือนกันก็เห็นสักแต่ว่าเวทนามีอยู่เห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาเป็นที่ลึกแต่ว่ามันไม่ได้มารบกวนจิตใจเราเลยการการที่เห็นว่ามันเพียงสักว่ามีอยู่สักว่ามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ใช่เห็นกายหรอกนะมันเห็นเป็นเรา มันเห็นเป็นตัวเราเห็นกายก็นึกว่าเป็นเราเห็นใจมีอารมณ์เกิดขึ้นก็เป็นเราเราโกรธเราเจ็บนะเราเดินนะเราเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ว่าพอมีสติเออมันก็เห็นว่ามันเป็นอาการของการเป็นอาการของใจนะมันไม่ใช่ตัวเราไปทำโน่นทำนี่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบาทฐานนะ ของการที่จะนำไปสู่ปัญญาที่จะเห็นความจริงของกายและใจที่มันลึกมากขึ้นแล้วก็ซึ่งจะช่วยทาให้มีการปล่อยวางมากขึ้นหลวงพ่อถึงท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมคือการปล่อยวางทางจิตนะบางคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางนี่ก็หมายถึงไม่ต้องทำอะไรเลยนะเมื่อตอนบ่ายก็มีรายการทีวีมาสัมภาษณนะ์เขาก็ถามว่าเนี่ยมีคนไปเข้าใจ ว่าเนี่ยปล่อยวางคือเลีกเล่นเข้าป่าหรือเข้าวัดมาปฏิบัติทำงานการไม่ทําเลยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดปล่อยวางเนี่ยมันหมายถึงการปล่อยวางทางจิตนะนะเป็นการปล่อยวางที่ใจนะเรียกอย่างนี้คือเป็นการทําจิตนะปล่อยวางไม่ได้แปลปล่อยป่าละเลยนะปล่อยวางแต่ยังทํางานทําการอยู่อันนี้มันมันทำได้นะ ทำงานแต่ทําด้วยใจปล่อยวางทําครัวแต่ทําด้วยใจปล่อยวางนะรักษาป่ารักษาด้วยใจปล่อยวางนี่ทําได้นะคือระหว่างที่ทํากิจก็ทําจิตไปด้วยนะสอนหนังสือก็สอนด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะก็คือใจอยู่กับปัจจุบัอนอดีตกับอนาคตก็วางลงนะอันนี้มันทําด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะแต่ถ้าไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยนะ ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ไม่ถูกต้องแปลว่าไม่ทำกิจไม่ทำกิตแล้วยังทำจิตผิดด้วยทำจิตผิดพลาดนะแต่ถ้าทาจิตถูกต้องเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกยังทำงานได้เหมือนเดิมนะหรือถ้าถึงเวลาที่จะไม่ทําก็ไม่ได้ทุกอะไรนะนะที่ท่านที่หลวงพ่อท่านเขียนไว้ว่าเนี่ยการปฏิบัติหรอการปล่อยวางทางจิตเนี่ยมันให้ความหมายที่ชัดเจนนะคือเป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องของการทําจิตนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปล่อยวางงานการนะให้งานการนี้ถ้ามีก็ต้องทํานะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนใจนี่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะอยู่กับปัจจุบันล้วนๆนะแล้วก็ไม่ลืมกายไม่หลืมใจด้วยนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจถูกต้องเพราะเด่นนี้เนี่ยคําว่าปล่อยวางนี่เราใช้กันเตรอแล้วก็เข้าใจผิดพลาดมากจนกระทั่งไปเข้าใจว่าคือการ ปล่อยปลละเลยนะอันนั้นไม่ใช่นะปล่อยปลาละเลยนั่นะคือไม่ทำงานไม่ทำการไม่รับผิดชอบงานการนะมันแสดงว่าไม่ได้ทำกิจนะส่วนการปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิตนะซึ่งมันก็ถ้าเราทำเป็นก็จะทำให้ไม่ว่าเราทำอะไรนะอยู่ที่ไหนใจเราก็เป็นสุขได้ทำงานใจก็ไม่ทุกข์ขับรถนะจิตใจก็ ไม่วิตกกังวลรถติดนะแต่ว่าจิตไม่ตกถึงเวลาก็พร้อมที่จ ะ, ะเวลาไฟมันเปลี่ยนแดงเป็นเขียวก็สามารถจ ะ, ะเลื่อนรถเคลื่อนรถไปได้นะอย่างรวดเร็วน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีนะแล้วก็การปล่อยวางที่ดีนะก็อย่างที่บอกนะมันต้องเริ่มต้นโดยการมีสติรู้ทันอารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดนะแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อใช้สติเป็นตาในดูดูกายและใจนะเห็นกายและใจรู้กายและใจมันก็จะเกิดปัญญาจกนกระทั่งทําให้เป็นเครื่องรือ้ถอนความยึดติดถือมัน่นทําให้เกิดการปล่อยวางอย่างแท้จริงอย่างที่อาจารย์พัชรชัยได้พูดมาหลวงพ่อท่านเปรียบเหมือนกับน้ำเจ้าพยานี้ เจ้าพญาเนี่มันก็มีมันก็เอาน้ําจากแม่น้ําสายเล็กๆสายน้อยๆมาแต่เจ้าพญาไม่เคยเก็บเอาไว้เลยนะเจ้าพญาก็ถ่ายเทลงทะเลหมดนะน้ํามากมายแค่ไหนก็ถ่ายเทลงทะเลหมดปล่อยวางก็คือแบบนั้นแหะคือมันปล่อยวางสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติไปนะไอ้ความอารมณ์ความคิดความสื่อต่างๆไม่มาเก็บไม่มาหมักหมมเอาไว้น ะ, นะอ่ะละคํานี้ก็พึ่กับท่านนี้กราบพระ